บทที่ห้าผู้นำทางสู่โลกหน้าเท็ดบัตเลอร์เสียชีวิตไปแล้วเขากำลังอยู่บนรถรางสายหนึ่งในลีดผู้ร่วมทางคนอื่นๆมองไม่เห็นเขาแต่ในที่สุดเขาก็ได้พบกับบุคคลแรกที่มองเห็นและเธอกำลังเสนอตัวเพื่อช่วยเหลือเขาคุณทำอะไรได้เขาถาม คุณไม่ได้คิดบ้างหรือว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องพ้นสภาพแบบนี้เสียทีความคิดคือสิ่งที่ถูกมัดคุณอยู่ตรงนี้คุณมีสิ่งต้องทำมากกว่ามะแกลวอยู่บนโลกไม่มีใครสังเกตเห็นคุณนั่นมันจะได้ประโยชน์อะไรบัตเลอร์ร ะ, ะลึกถึงบทสนทนาครั้งแรกตั้งแต่เขามาสู่สภาวะวิญญาณฟังดูมีเหตุผลนะเขาบอกก็จริงไม่มีใครมองเห็นตัวผม แต่ผมคิดว่ามันก็ดีที่ไม่มีอะไรมากวนใจผมผมก็ไม่รู้นี่ว่าจะต้องทำอะไรมากกว่านี้นั่นเป็นความเข้าใจผิดของคุณเธอว่าสภาวะจิตใจของคุณเป็นตัวรั้งคุณไว้ให้อยู่ที่ตรงนี้ถ้าคุณปลดปล่อยความคิดของคุณคิดถึงในสิ่งต่างๆอันเป็นความคิดที่สูงกว่าเรื่องธรรมชาติคุณก็จะไปไกลจากสิ่งรอบข้างเหล่านี้ ฉันเข้าใจว่านี่คงเกี่ยวข้องกับลักษณะการตายของคุณคุณเสียชีวิตอย่างฉับพลันและความคิดที่คุณมีต่อภรรยาของคุณแม่และคนอื่นๆเป็นตัวฉุดรั้งให้คุณติดอยู่ที่พบล่างนี้แต่คุณควรไปให้พ้นจากสภาวะนี้มากับฉันสิแล้วเราจะไปไหนกันอ๋อฉันจะพาคุณไปไม่ต้องห่วงหรอก งั้นเราจะลงสถานีข้างหน้าเหรอคุณหมายความว่าไงลงสถานีข้างหน้าเธอว่าไม่จำเป็นต้องรอหรือลงตรงสถานีข้างหน้าป้ายข้างหน้าเราลงจากรถเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการเมื่อคุณตัดสินใจแต่ผมไม่เข้าใจตอนนี้คุณควรรู้ได้แล้วเธอบอกคุณเคยขึ้นรถนั่งรถ และรอให้ถึงสถานีข้างหน้าอันเป็นจุดหมายปลายทางของคุณนั่นคือจบกระบวนการแต่ในสภาวะเช่นนี้คุณไม่จำเป็นจะต้องทำเช่นนั้นอีกแล้วคุณไม่ต้องทำอย่างที่คนอื่นเขาทำหรือทำตามวิสัยเดิมคุณต้องทิ้งพฤติกรรมเก่าๆและรับรู้ว่าตอนนี้สิ่งเหล่านั้นไม่สำคัญแค่คิด คุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนที่ไปจากสภาวะนี้ได้ผมไม่รู้หรอกฟังนะเธอพูดนี่มือของฉันคุณจับมือฉันไว้หลับตาและพยายามไม่คิดถึงเรื่องอื่นใดแค่ทำใจให้ว่างเปล่าบัตเลอร์ทำตามที่เธอพูดเท็ด บ, บัตเลอร์ถูกนำพาไปสู่การเดินทางสู่โลกใหม่ ด้วยความช่วยเหลือซึ่งเราได้รับข้อมูลมาว่าจะมีการถูกส่งมาโดยอัตโนมัติให้แก่ทุกคนที่เสียชีวิตพวกเขาเป็นผู้นำทางสู่โลกหน้าจากหลักฐานการบันทึกมีน้อยรายจะรู้จักวิถีทางเหล่านี้ด้วยตัวเองเกือบทุกคนที่จิตออกจากร่างผ่านความตายพวกเขามักยังคงติดอยู่กับพื้นโลกจนได้พบกับญาติผู้ล่วงลับ หรือผู้นำทางที่ได้รับการอบรมซึ่งสามารถกระตุ้นหรือพาเขาไปให้พ้นจากการผูกมัดติดกับโลกนี้และนำพาเขาไปสู่โลกใหม่ที่ยังไม่เคยรู้จักกลับมาหาจอร์ดฮอปกินที่บทที่แล้วเรากล่าวค้างไว้ตอนที่เขาอยู่ที่บ้านพระวิคาเขาสงสัยว่าทำไมพระวิคาจึงไม่เห็นตัวเขา เหมือนเขาโดนสาบให้แกลลวอยู่ตั้งหลายวันเพื่อร่วมพิธีศพของตัวเองพวกเขากำลังแบกร่างผมจอดกล่าวไปยังลานโบสถ์และฝังผมที่นั่นร่วมกับหญิงชาราคนหนึ่งจูจูผมก็นึกถึงโพภ ร, รยาของตัวเองผมคิดว่านี่ตลกดีถ้าผมตายผมก็ควรได้อยู่กับเธอแล้วนี่เธอไปอยู่ที่ไหนสะละผมยือนอยู่ตรงนั้น ดูพวกเขานำร่างลงหลุมหลังจากเสร็จพิธีผมเดินตามพวกเขาไปตามทางเดินนั่นตรงหน้าผมมีคนกำลังเดินมาหาภรรยาของผมเองแต่เธอไม่ใช่ภรรยาคนที่ผมเคยรู้จักในช่วงสองสามปีสุดท้ายที่เธอยังมีชีวิตตรงหน้าคือภรรยาของผมในสภาพแรกพบกันเธอเป็นสาวสวย สวยจริงๆและข้างๆเธอคือหนึ่งในพี่ชายของผมที่เสียชีวิตไปแล้วเขาอยู่ในสภาพหนุ่มอายุสิบเจ็ดสิบแปดเขาเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีผมสีอ่อนพวกเขากำลังหัวเราะคุยกันและตรงมาหาผมผมคิดว่าตัวเองอยู่ตรงนี้และตรงนั้นคือพวกเขาผมก็สบายใจพวกเขาต้องรู้ว่าตอนนี้คือเวลาที่จะต้องทาอะไรต่อไป ภรรยาของผมกับพี่ชายตรงเข้ามาทักทายกล่าวขอโทษที่พวกเขามาช้าไปหน่อยพวกเขาบอกว่าเรารู้ว่าคุณไม่สบายใจนะแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะปรับปรับรวดเร็วขนาดนี้เราได้รับข่าวแล้วเสียใจด้วยที่ไม่สามารถมาที่นี่ได้เร็วกว่านี้ผมคิดว่านี่เป็นเรื่องแปลกพวกเขารู้ได้ยังไงแต่ตอนนั้นที่ผมกาลังนึกกังวลอยู่ คือผมกําลังก้าวเดินไปทุกสิ่งทุกอย่างเบาหวงอย่างที่เคยเป็นร่างกายไร้น้ำหนักไม่มีความเจ็บปวดพวกเขาเริ่มอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่ผมแต่พวกเขาก็ไม่ได้พูดมากเกินไปนะักแค่บอกว่าผมจะค่อยๆปรับตัวได้เองผมถามว่าเรากําลังจะไปอยู่ที่ไหนกัน ที่นี่ไม่มีใครต้องการทำอะไรร่วมกับเราเลยและดูเหมือนว่าไม่มีใครสนใจพวกเราในตอนนี้ด้วยซ้ำใช่แต่อย่าสนใจคนพวกนี้เลยผมเล่าให้พวกเขาฟังถึงพระวิชาคุณไม่ต้องไปพบเขาหรอกพวกเขาว่าเขาเป็นคนสุดท้ายที่คุณได้ไปพบแต่เขาก็ไม่ได้รู้มากไปกว่าคนอื่นหรอกตอนนี้เราจะไปไหนกัน เราจะพาคุณไปบ้านของเราอยู่ที่ไหนล่ะเราบอกคุณไม่ได้แน่นอนว่ามันอยู่ที่ไหนแต่เราพาคุณไปที่นั่นได้และคุณจะรู้ว่าที่นั่นเป็นบ้านที่แสนสบายคุณจะจำมันได้ผมจะไปจำได้ยังไงผมไม่เคยไปที่นั่นนะคุณเคยไปสิหลายครั้งตอนคุณหลับคุณรู้จักมันดีผมเริ่มคิดผมจำไม่ได้หรอก ผมเคยฝันแปลกๆครั้งหรือสองครั้งผมจำความฝันตอนนั้นได้ฝันที่มีสถานที่ที่น่ารักมีสวนสวยมีสุนัขตัวเก่าของผมโรเจอร์อยู่ที่นั่นมันตายไปหลายปีก่อนผมจำได้ว่าแค่ฝันถึงมันไม่นั่นไม่ใช่แค่ความฝันพวกเขาบอกนั่นเป็นคุณคุณกับเรารู้ไหมเวลาที่เราหลับตอนคุณหลับ ใจคุณจะเป็นอิสระและคุณสามารถเดินทางไปอยู่กับเราได้ในตอนนั้นผมบอกเขาไปว่ามันฟังดูดีมากคุณไม่รู้เหรอว่าคุณตะแลกไปพวกเขาถามใช่ผมรู้สึกแปลกไปผมไม่รู้สึกว่าตัวเองแก่ผมไม่เจ็บปวดอย่างที่เคยเป็นคุณเห็นตัวเองไหมไม่ผมไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นมาเธอ เราจะให้คุณได้เห็นตัวเองตอนนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่จะได้เห็นตัวเองในอีกสภาพหนึ่งผมคงได้เห็นในกระจกโอ้ไม่ใช่หรอกพวกเขาตอบไม่ใช่ในกระจแล้วพวกเขาก็พาผมไปยังสถานที่แห่งหนึ่งดูสวยงามมีทิวทัศน์ที่สวยน่ารักมีบ้านหลังสวยๆและดูเป็นชนบทมากกว่าในเมือง แล้วพวกเขาก็พาผมไปยังบ้านหลังหนึ่งซึ่งดูดีมากอยู่ในทุ่งนาเหมือนสถานที่เล็กๆที่ผมเคยฝันถึงหรือคิดว่าผมเคยฝันถึงมันและตรงนั้นก็คือผมอย่างที่เคยฝันไว้เมื่อหลายปีก่อนผมจําได้ว่าเคยตื่นขึ้นมาในรุ่งสางและจําที่นี่ได้และผมคิดว่านี่เป็นเรื่องแปลกมันเหมือนกันทีเดียว บัตเลอร์กับฮอปกินอาจโชคไม่ดีที่ต้องรอคนนำทางของเขาอยู่เป็นเวลานานสำหรับกรณีของอัลเฟรดฮิกกินจิตกรและช่างตกแต่งชาวไบรตันนั้นประหนึ่งสวรรค์จะสั่งกลไกถึงเขาในทันทีวันที่14ตุลาคมปี1963เขาประกาศตัวตามวิธีปกติเบตตี้กรีนเริ่มต้นด้วยคำถาม เล่าให้ดิฉันฟังได้ไหมคะคุณฮิกกินคุณเสียชีวิตยังไงและปฏิกิริยาของคุณเป็นอย่างไรบ้างผมตกบันไดเขาตอบอย่างเลื่อนลอยผมไม่เสียชีวิตในทันทีนะแต่ผมไม่ได้สติไม่รู้สึกตัวและผมไปเสียชีวิตในโรงพยาบาลนับจากตอนนี้ไปนั่นก็เกิดขึ้นราวสองสามปีมาแล้วผมเคยเป็นจิตรกรและนักตกแต่ง และคุณเองก็มาจากไบรตันใช่ไหมใช่ค่ะนางกรีมตอบผมอยู่ในไบรตันระยะหนึ่งฮิกกินบอกที่ไหนในไบรตันคะนั่นเป็นหลายปีที่แสนดีแล้วก็เหมือนกับหลายๆที่มันเปลี่ยนไปบ้างใช่ไหมแถบด้านหลังโอสตายนะ่ะคุณเคยอยู่หลังโอสตัยเหรอใช่สิคุณบอกได้ไหมคะคุณฮิกกินว่าคุณมีปฏิกิริยาอย่างไรตอนคุณเสียชีวิต คุณรู้ได้ยังไงอะไรนะคุณรู้สึกตัวได้ยังไงและปฏิกิริยาของคุณเป็นอย่างไรตอนคุณเสียชีวิตอ๋อิกกินตอตอนที่ผมได้สติรู้ตัวนั้นผมนอนอยู่บนชายฝั่งริมแม่น้ำจับต้นชนปลายไม่ถูกนึกไม่ออกว่าผมอยู่ที่ไหนจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงแล้วผมก็เห็นใครคนหนึ่งกำลังเดินตรงเข้ามา เขาแต่งกายคล้ายพระแต่ดูอีกทีก็ไม่ใช่เขามีบางอย่างเหมือนสุภาพบุรุษที่มีความเมตตากรุณาหน้าตาเขาดูอ่อนวัผมคิดว่าเขาเด็กเกินกว่าจะเป็นนักบวชเอาจริงๆเลยนะพูดตรงๆเลยว่าตอนนั้นผมคิดว่าเขาเป็นพระเยซูแต่ผมมารู้ทีหลังว่าไม่ใช่เขามายืนข้างๆและพูดว่าคุณมาถึงแล้ว ผมบอกว่าผมเหรอผมมาถึงที่ไหนหมายความว่ายังไงเขาบอกว่าคุณไม่รู้เหรอว่าคุณอยู่ที่ไหนไม่ผมตอบเท่าที่ผมรู้คือผมจำไม่ได้ที่นี่มันที่ไหนนะ่ยแต่มันสวยมากเลยนะคุณตายไปแล้วรู้ตัวไหมอะไรนะใช่คุณตายไปแล้วผมยังไม่ตายผมจะตายได้ยังไงถ้าตายผมก็ต้องมองไม่เห็นสิฟังนะ ผมยังไม่ตายผมยังมีตัวตนอยู่อเขาว่ามีหลายคนที่มักเข้าใจว่าเวลาพวกเขาตายพวกเขาจะไม่มีตัวตนหรือถ้าพวกเขาตายพวกเขาจะได้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกไม่มีสถานที่อย่างสวรรค์หรือนรกหรอกคุณอยู่ในสภาพของชีวิตซึ่งเป็นความจรงิงอย่างที่คุณเห็นตัวเองในสภาพที่คุณเคยรู้จักมาก่อนชีวิต อีกรูปแบบที่คุณเรียกว่าความตายเป็นสภาวะทางจิตใจสภาวะของคุณในตอนนี้อาจทาให้คุณตกใจแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่มีความสุขและเท่าที่คุณรู้และเท่าที่ผมจะบอกคุณได้คุณค่อนข้างผ่อนคลายจิตใจคุณสงบราบรื่นคุณไม่ตื่นตระหนกเท่าไหร่หรอกใช่ไหมไม่ผมบอกแต่ตอนนี้ผมเริ่มรู้ตัวแล้วว่าที่คุณพูดเป็นอย่างไร ผมต้องยอมรับว่าผมห่วงคนที่มีความเกี่ยวข้องและผูกพันกับผมพวกเขาจะต้องช็อกแน่ๆคุณรู้ไหมผมไม่เคยรู้เรื่องความตายผมจำไม่ได้ถึงตอนตกบันไดยอย่างน้อยผมก็รู้ว่าผมตกลงมาแล้วก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยแน่นอนเขากล่าวคุณเสียชีวิตในโรงพยาบาลหรอคุณอยากกลับไปเพื่อพบคนที่เกี่ยวข้องผูกพันกับคุณใช่ไหม เขาถามคุณคิดว่านั่นจะช่วยอะไรคุณได้หรือเปล่ามันก็น่าสนใจนะผมอยากเห็นพวกเขาพวกเขาจะไม่เขาอธิบายเห็นคุณคุณรู้ใช่ไหมอา้าวทำไมรัส ก, ก็เขาบอกพวกเขาจะไม่รับรู้ว่าคุณอยู่ตรงนั้นเพราะพวกเขามองไม่เห็นคุณและพวกเขาจะไม่ได้ยินเสียงคุณถ้าคุณพูดกับเขา งั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปพบพวกเขาหนาสินั่นมันก็ขึ้นอยู่กับคุณผมจะไปผมตอบมันอาจเป็นไปได้ที่อาดาภรรยาของผมเธออาจจะผมอยากเห็นว่าเธอเป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้ได้สิงั้นเราไปกันบางครั้งเมื่อตายไปแล้วผู้ตายมักกระหายจะกลับมาเยี่ยมเยียนบรรดาคนที่เขารักมากที่สุด และพวกเขาจำต้องละทิ้งไว้เบื้องหลังพวกเขามาคิดว่าการได้กลับมาเยือนนี้จะทำให้พวกเขาหรือครอบครัวของพวกเขาสบายใจขึ้นเล็กน้อยส่วนใหญ่พวกเขาจะกลับไปเช่นเดียวกับกรณีของอัลเฟรดฮิกกิน